133สีโมกกันติกะปิยานว่าด้วยการละข้อความเกี่ยวกับภิกษุเข้าสู่สีมาปิยานมุก700ติกะข้อ227ภิกษุทั้งหลายก็ในกรณีนี้ในอาวาตแห่งหนึ่งในวันปวารณานั้นมีภิกษุที่อยู่ในอาวาสหลายรูปหนึ่งประชุมกันห้ารูปบ้างเกินกว่าบ้าง สองพิษสูเหล่านั้นไม่รู้ว่ามีพิกษุที่อยู่ในอาวัตพวกอื่นกําลังเข้ามาในสีมา 3. ามพิษสูเหล่านั้นไม่รู้ว่ามีพิกษุที่อยู่ในอาวัตพวกอื่นเข้ามาภายในสีมาแล้ว 4. ี่พิษสูเหล่านั้นไม่เห็นพิกษุที่อยู่ในอาวัตพวกอื่นกําลังเข้ามาภายในสีมา5้าพิษสูเหล่านั้นไม่เห็นพิกษสูตที่อยู่ในอาวาตพวกอื่นเข้ามาภายในสีมาแล้ว 6. ภิกษุเหล่านั้นไม่ได้ยินว่าภิกษุที่อยู่ในอาวาดผู้อื่นกำลังเข้ามาพายในสีมาเจ็ดภิกษุเหล่านั้นไม่ได้ยินว่าภิกษุที่อยู่ในอาวาดผู้อื่นเข้ามาพายในสีมาแล้วโดยใน175ต้ยิีกะ 1. หภิกษุที่อยู่ในอาวาดกับภิกษุที่อยู่ในอาวาด 2. –พภิกษุอาคันตุกะกับภิกษุที่อยู่ในอาวาส3ภิกษุที่อยู่ในอาวาสกับภิกษุอาคันตุกะ 4. ภิกษุอาคันตุ ก, กะกับภิกษุอาคันตุ ก, กะรวมเป็น700ดรกะโดยเปยยานมุก